ต่อ น, นี้ไปเพิ่งตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีให้พากันนึกถึงชีวิตนี้มันทนได้ยากลำบากโรคภัยให้เจ็บเบียดเบียนความชะลาเข้าครอบงำ มีแต่ชำรุดทุดโทมไปทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนเนี่ยเราจะหวังเอาอะไรกับร่างกายอันนี้พิจารณาดูให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมมีเหตุมีปัจจัยของมันเราต้องทบทวนดูเหตุดูปัจจัยมัน เหตุที่จะต้องได้มาทนทุกข์อยู่ในขันห้านี้มันก็เมื่อมันก็เนื่องมาแต่ความไม่รู้แจ้งขันห้าตามเป็นจริงมันจึงได้ผูกพันอยู่กับขันหานี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนมันผูกพันอยู่นี่มานุนาน แต่เราะระลึกชาติของหลังไม่ได้เฉยๆดังนั้นในปัจจุบันนี้มันควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วมันควรจะหาทางออกจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เบื้องต้นมันก็ได้แก่การทำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยให้ไม่ให้ผิดพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติถ้ามไว้ตามเพศตามภูมิของตนของตอนนี่เป็นบทบาทเบื้องต้นเลยการปฏิบัติธรรม ทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงไว้อย่างนี้ที่ทรงสแสดงไว้อย่างนี้ก็เพราะคนเราเนี่ ย, ยังยินดีในการเบียดเบียนอยู่ยินดีในการทําบาปทํากรรมทั้งหลายอยู่มองไม่เห็นบาปว่าเป็นบาปเนืกว่า เป็นเรื่องธรรมดาการค่าสัตว์ตัดชีวิตกรณีการลักเอาสิ่งของผู้อื่นมาเลี้ยงชีพก็ดีการประพฤติผิดในกามก็ดีบางคนถึงกับว่าอุปมปไมยปม็นว่าเหมือนอย่างที่นายกกไปตั้งกองกรถิ่งขึ้นกองหนึ่ง แล้วนายขอก็มีวัตถุทยทานได้หนึ่งไปสมทบกับนายกอมนะอันนี้มันก็ได้บุญได้กุศลร่วมกันไม่ใช่เหรออันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นการที่เราผลิตมนุษย์ให้เกิดมาในโลกนี้เราร่วมกันผลิต มันก็ดีไม่ใช่เหลอมันจะได้สมบูรณ์แบบขึ้นมาไ อ, อ, อความเห็นของคนนะเป็นอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยอมละไม่ยอมละโทษอันนี้กามเมสุมิฉาจานนี่นะอั น, นี้เพราะมันมีความเห็นผิดอยู่ในใจถ้ามีความเห็นถูกว่า าการทำเช่นนี้มันเป็นเป็นการล่วงกรรมสิทธิทสิทธิธของผู้อื่นอย่างนี้ไม่ควรที่จะไปล่วงสิทธิของผู้อื่นผิดกฎหมายโดยถ้าเขาเอาเรื่องแล้วก็เป็นอันว่าผิดกฎหมายอย่างนี้นะถ้ามันนึกได้อย่างนี้มันก็ไม่ทำเลยไม่ล่วงมไม่รู้อานาจแกตัญหา น, าน้น บางคนก็ชอบพูดจาเลวไหลเป็นนิสัยติดมาเคยพูดโกโหกพกลมอย่างไรก็พูดอยู่อย่างนั้นเลในความรู้สึกของผู้พูดไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นโทษอะไรโดยไม่ได้คํหนึ่งถึงหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยไม่เคารพต่อพระธรรมไม่เคารพต่อพุทธบัญญตัต ก็หมายความว่าไม่เคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองก็จึงไม่ยอมสำรวมจนตามที่ขาบทที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้บางคนก็ถือว่าการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฟินเฮโรอีนหมูเนี่ยมันเป็นความสนุกสนานของโลก คงไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเขาว่าแต่ไหนแตใดามาโลกอันนี้เขาหักกินกันมาอยู่นี่สนุกสนานล่าเริงบันเทิงกันมาอยู่อย่างนี้นี่ความเห็นเนี่ยเมื่อมันมีความเห็นผิดไปจากคำสอนพระเจ้าแล้วมันก็ไม่สำรวมระวังแล้วนสิกขาบทข้อสุดท้ายนี่ก็ดี มันก็ร่วงเกินอยู่นั่นเพราะมันติดความสุขสนุกสนานความสนุกก็นันถือว่าเป็นความสุขแท้ที่จริงแล้วการกระทำทั้งหมดดังกล่าวมานี่มันก็ถือว่าเป็นสุขกม็มีแต่สุขเหล่านี้มันเจืออยู่ด้วยทุกแม้ผู้เป็นนักบวชก็ดีพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั้น ก็ดล้วนแต่ป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นในจิตสันดานทั้งนั้นแหละแต่กิเลสมันก็มีอยู่แล้วมีแต่เดิมแล้วแล้วพระองค์บัญญัติห้ามมาให้สร้างกิเลสอย่นั้นขึ้นมาอีกเมื่อมันมีอยู่แล้วที่มันมีมาแต่เก่านั้นหากว่าจิตดวงนี้ไม่สร้างมันขึ้นมาอีกไม่ใช้กายวาจาทำและพูด ให้ผิดไปจากพระวิเนียที่พระพุทธบัญญัติไว้นั่นแล้วไอ้โทษทั้งหลายมันก็ไม่เกิดบนไอ้โทษในปัจจุบันนี้นะอ่ามันก็ไม่เกิดขึ้นกิเลสทั้งหลายที่มักดองมาในจิตใจแต่ก่อนนั้นหากเมื่อจิตเห็นโทษมาแล้วไม่ส่งเสริมมันก็งอกงามขึ้นไม่ได้เลยมิแต่หิวเฉาไป เหมือนอย่างปลูกต้นไม้ลงในดินอย่างนี้นะแล้วไม่รดน้าไม่ใส่ปุ๋ยมันมันไม่มีอาหารจะกินมนกะกอเฉาตายไปเท่านั้นเองงนะอนมกิเลสในหัวใจคนเราก็เป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสนี้นเคยพูดมาบ่อยอยู่แล้วว่าจิตตรงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมา ม, มันจึงมีได้ แต่มูลเหตุที่จะให้เกิดกิเลสนะมันมีอยู่แล้วละ่ะแต่เมื่อจิตไม่ไปยึดถืออามูลเหตุเหล่านั้นไม่สร้างมูลเหตุมวลนั้นขึ้นมากิเลสมันก็เกิดไม่ได้อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่แล้วยกตัวอย่างอยู่แล้วว่าเช่นตาเห็นรูปอย่างนี้นะ เมื่อมีสติหรือมีปัญญาพิจารณาพร้อมกันในขณะเห็นนั้นเอารูปนั้นก็สั ก, กว่าแต่รูปนั้นมันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือประกอบด้วยขันห้าล้ว น, วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนทั้งนั้นในของเหล่านี้นะแล้วจะไปยินดีพอใจอะไรกับมันเนะี่ยถ้าว่ามีสติมีปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้ จิตก็ไม่ยินดียินร้ายไปตามรูปที่เห็นด้วยตานั้นมันก็ไม่ได้สร้างความรักความใคร่อะไรให้เกิดขึ้นในจิตใจเลยจิตใจก็เป็นอุเบกขาอยู่ได้รูประสัญญาอันนั้นก็ดับไปเมื่อจิตไม่ส่งเสริมแล้วแมอ้อารมณ์อื่นๆเรื่องอื่นเสียงก็ดิกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งหลาย เหล่านี้นะถ้าหาข้อจิตไม่ส่งเสริมแล้วเมื่อได้สัมผัสถูกต้องแล้วไม่ส่งเสริมสัมรวมจิตได้สอนจิตให้รู้แจ้งสภาวะต่างๆเหล่านั้นได้อย่างนี้นะกิเลสคือความรักความชังความใคร่ความหลงไหลต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นเป็นงานเลี้ยงมันนะ อย่างนั้นให้มาทบทวนให้เข้าใจว่ากิเลสก็ดีธรรมธรรมของจริงก็ดีย่อมเกิดขึ้นจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยถึงมันจะมีเหตุภายนอกมากระทบกระทั่งเมื่อจิตนี้ตั้งมั่นแล้วมันก็ไม่หวนไหวไปตาม อารมณ์ที่มากระทบในตาเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นก็อย่างนี้แหละการที่บุคคลจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจในการที่มาอาศัยอยู่ในขันหานี้ไปได้ก็เพราะมาเจริญสมาธิให้เกิดขึ้น แล้วก็เจริญปัญญาต่ออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละสมาธิก็ทำอย่างไรจิตจะตั้งมั่นลงไปในปัจจุบันนี้ก็ทำลงไปอย่างนี้แหละก็ได้แก่การเพ่งการสะกดจิตไว้อย่าให้มันคิดมันนึกไป ถ้าเราจะนั่งอยู่ลอยๆเฉยเนี่ยไม่คมจิตไม่สะกดจิตปลอยพร้อมช่วยด้วยอย่างนี้ไม่ฟังนะจิตมันอ่อนแอกิเลสมันก็ผลักดันให้คิดให้ปรุงแต่งไปอ่าเป็นเช่นนั้นเรื่องมันนะในเบื้องต้นนี้เราต้องสะกดจิตก่อนแหละจะว่าคมก็ถูก ทำให้จิตนั้นหนักแน่นเข้าไปก่อนอย่างนี้นะไม่ต้องพิจารณาอะไรในเมื่อรู้ว่าจิตนี้อ่อนแออยู่ยังไม่เข้มแข็ ง, งนีก็มีแต่เพ่งรู้อยู่ในปัจจุบันนะถ้าเผลอจิตมันคิดไปก็ตั้งสติไหมตั้งสติกำหนด ประคองความรู้อันนี้ไว้ถ้ามันยังผุนผันมาจะคิดจะนึกไปลอะไรอยู่นีสะกดเอาไว้คมไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนมันต้องมีคุณธรรมประกอบด้วยนะการที่จิตจะสงบตั้งมั่นลงไปได้ให้เข้าใจ ถ้าผู้ใดกลัวทุกข์เพราะการทำฝึกจิตข่มจิตอย่างว่านี้นะมันเป็นไปไม่ได้เลยสมาธินะ่ะเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ง่ายเหมือนอย่างท่านผู้ฝึกผลอบรมทนมามากแล้วนั้นนะผู้ที่เริ่มฝึกผลตนใหม่นี้มันต้องออกแรงอย่างเต็มที่ขอให้เข้าใจ ต้องอดต้องทนต่ อ, ท, ตอทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการข่มจิตการสำรวมจิตให้สงบอยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในเมื่อให้มันคิดสง่งออกไปข้างนอกธรรมดาจิตนี่มันเคยคิดไปในอารมณ์ต่างๆภายนอกนั้นมากมายมันจนติดนิดสัย เพราะฉะนั้นเมื่อเรามานั่งสงบลงไปหวังว่าจะน้อมจิตนี้ให้ลงสู่ความสงบอย่างนี้กิเลสเ่าเนี่ยนะมันก็ผลักดันจิตให้คิดให้พรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้น ะ, ะเมื่อจิตอ่อนแอ่ะให้พากันสังเกต ด, ดูตัวเองเมื่อเป็นชนนี้ก็รู้ตัวได้ว่าอมจิตนี่ยังอ่อนแออยู่สู้อํานาจกิเลสยังไม่ได้อย่าง เมื่อรู้อย่างนี้เราก็ตั้งความอดความทนลงเอา้าเราจักไม่คิดอย่างนี้ความคิดก่อกามนาสู่จักปอดทางก้านกิ่งพร้อมพันใบนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังกปะราโคปุริสัสสะกามโม แปลว่าความดำริเป็นกามของคนออืการ ม, มะแปลว่าความใคร่ความกำหนัดนั่นแหละหรือราคะแปลว่าความกำหนัดการ ม, มะแปลว่าความใคร่ทีแรกมันก็เกิดความใคร่ขึ้นมาก่อนถ้าระงับไปได้ต่อไปมันก็กลายเป็นราคะ ความกำลังยินดีอย่างยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นแหละเราจะนั่งอยู่ลอยลยไม่อดไม่ทนไม่คมจิตใจอันนี้เลยนี่ไม่ได้นะขอบอกไว้ในที่นี้นั่งลอยๆไปถ้าหากว่าไม่วิตกวิจารไม่ได้ความรักความใคร่มันก็ ถูกความง่วงเงาหานอนครอบงำมีแต่นั่งหลับนั่งไหลอยู่หัวานนั่นแหละไม่มีความสดชื่นในใจอะไรเลยอันนั้นเมื่อตอนได้ต่อสู้กับกิเลส ต, ต่างๆเหล่านี้ได้ชนะกิเลสเหล่านี้ไปแล้วนั่นแหละจิตใจยังเบิกบานผ่องแผ้วจึงได้ปีติจึงได้เกิดปีติ ความเอิบอิ่มในใจเนื่องด้วยมาพิจารณาเห็นความสามารถของตนเอาชนะกิเลสได้มาเป็นขั้นขั้นอย่างนี้นะเบื่องต้นตนก็เอากิเลสเอาชนะกิเลสอย่างงาบอันจะพึ่งประพฤตริร่วงทางกายทางวาจาที่ทันเรียวศีลมาแล้วอืวันนี้มาเอาชนะกิเลสอย่างกลาง คือความรักความจังความมายาบาดจองวินความท้อแท้อ่อนแอง่วงเอาวห้าวนอนความฟุ้งซ่านรำคาญของขจิตใจความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษตลอดถึงมรรคนิพพานทั้งจานในเมื่อเราเอาชนะได้มันดับไปมันก็ จิตใจก็รวมลงได้ น, นี่แหละการที่ใจมันจะสงบส ง, งับลงไปได้นะมันต้องเอาชนะกิเลสซึ่งเป็นมารของหัวใจมาเป็นขั้นขั้นอย่างนี้จิตมันจึงรวมมันจึงสงบลงได้ถ้าผู้ใดกลัวทุกในการข่มจิตเพ่งจิตอยู่แล้วจิตสงบไม่ได้เด็ดขาดลราจะภาวนาอยู่ จนเฒ่าจนแก่ก็ไม่ได้ความเลยขอให้เข้าใจเพราะว่าผู้ที่ท่านปฏิบัติมาก่อนนะท่านฝึกตนมาก่อนท่านย่อมรู้ดีอะรู้ดีว่านโยบายยังไงอุบายยังไงจึงฝึ ก, กจิตนี้ให้สงบลงได้เจริงโยู่ที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงกรรมฐานไว้นั่นนะไอ้กรรมฐานนั้นการที่บุคคลจะเจริญได้นั้นก็ต้องแข่งจิตนี่ให้ตั้งมั่นลงก่อนนะถ้าจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วกรรมฐานเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในจิตเลยเช่นอย่างอสุภะกรรมฐานอย่างนี้นะะกรงสอนในพิจรณาร่างกายนี่เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม โสโครกปฏิกูลน่าเกลียดอย่างนี้นะเอาเราถ้าว่าไม่คมจิตไม่เพ่งจิตให้ส ง, งบลงก่อนแล้วยางนี้เราจะมานึกดูร่างกายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยมันจะไม่ยอมมาจิตนี้นะมันจะคิดส่งออกไปข้างนอกนั่นแหละมันจะไม่ยอมเพ่งดูร่างกายอันนี้ ให้เห็นเป็นอสุภสุพังดังกล่าวแล้วได้อย่างนี้คำว่าการเจริญพระกรรมฐานนะจริงว่าการเจริญอนานปานสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ท่านกล่าวไว้ในตำรานั้นว่ามันเหมาะมันถูกกับจริตที่ใสทุกคนเลยก็ไม่ถูกยังไงเล่า ก็เมื่อไม่มีสติเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ก่อนแล้วจิตมันก็ไม่หยุดคิดเด็ดขาดไปเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันจิตที่มันคิดใส่ไปใส่มาอยู่นี่เพราะมันไม่ได้เพ่งลมหายใจเข้าออกมันลืมลมหายใจเข้าออกไปเลยอย่างนี้นะผู้ดใดสังเกตผู้นั้นย่อมรู้ได้โดยตนเองน่ะข้อนี้นะ เมื่อรู้แล้วก็ต้องมาเห้งลมหายใจเข้าออกนี่ก่อนมุ่งละมุ่งหวังความสงบนี้ไม่ทําอย่างนี้มันจะสงบลงได้ยังไงนี่เตือนตนสอนตนเข้าไปเมื่อเมื่อรู้ได้รับความจิตนี่ได้รับความตักเตือนแล้วมันก็ตื่นตัวมันก็เอาละ แหงลมหายใจเข้าออกให้ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปโดยลาดับถ้าจะใช่อุบายบางก็ก็ยังได้เช่นอย่างว่าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายนี่ชีวิตนี้จึงชื่อว่า แขวนอยู่กับลมหายใจเข้าออกโดยแท้จริงหมดลมเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นอันนี้เป็นความจริงเลยแต่ว่าผู้ไม่เจริญภาวนามไม่นึกน้อมถึงความจริงเหล่านี้จิตมันก็ไม่เกิดความสังเวชสะ ด, ดใจเบื่อหน่ายในความตายเหล่านี้ อมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะต่อเมื่อได้คมจิตได้ตั้งมั่นลงไปแล้วจึงมานึกมาทบทวนดูอย่างที่ว่ามาแล้วนะั้นมันก็ย่อมเห็นแจ้งขึ้นมาในใจออืเมื่อมันเห็นแจ้งได้นี่มันก็ละความรักละความชังอ่าแล้วความวุ่นเหงาหาวนอนต่างมันก็หายไป เพราะมันเห็นแจ้งอยู่ภายในแล้วมาความเห็นอันนี้ความรู้อันนี้เนะี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ขจัดความง่วงเหงาเหานอนหายไปได้อย่างงั้นนอกจากกาจัดความรักความจังแล้วนะเดี๋ยวมันก็ขจัดความพุ่งสร้างของขิตใจขิตใจก็อิ่มอยู่ในความสงบนั้น เห็นว่ามันเป็นความสุขส่วนหนึ่งการทำจิตให้สงบนิ่งอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตได้รับความสุขจากความสงบอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่ปรารถนาอยากจะคิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นเลยเพราะมันได้รับความสุขสบายอยู่แล้วนี่นะการที่จิตมันคิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่น ก็เพราะว่ามันไม่มีความสุขมันไม่มีไม่มีความเย็นใจมันจึงคิดแช่สายไปหาความสุขแบบนี้นะความความที่จิตหลงไม่เข้าใจแนวทางที่ถูกต้องก็เป็นอย่างนั้นละเข้าใจว่าเมื่อส่งจิตคิดไปตามเรื่องราวที่ตนชอบใจต่างๆนันนะเหล่านั้นแล้วนะมันจะมีความสุขอย่างนี้นะ จึงได้ปล่อยจิตได้คิดเพลินไปตามเรื่องราวที่ตนที่ผ่านมาแล้วนั้นที่ตนเคยได้ประสบมามีแสนมีความสุขความสบายใจมีความปรับปื้มใจนี่อ่านเรื่องที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วบางอย่างมันก็ให้เกิดความปรับปื้มใจสบายใจได้พัดถึงเหมือนกัน เรื่องบางอย่างนะนี่แหละเมื่อบุคคลมาหวนนึกทบทวนถึงเรื่องนั่นมาจิตใจก็ย่อมติดในเรื่องนั่นบปนี้นะอืาก็จึงชอบคิดปรุงออกไปภายนอกเรื่อยไปแท้ที่จริงไม่ใช่นะเกิดความสุขอันอิงอาศัยวัตถุตัางๆมาเป็นอารมณ์เหล่านี้นะ่ะมันเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปแล้วความสุขเหล่านั้นก็ดับตามกันไปมั้นไม่ใช่มันจะมีความสุขสงบอยู่ได้นะให้เข้าใจเหตุที่มันจะมีความสุขใจเพราะมันนึกมันจําหมายอารมณ์ต่างๆที่มันชอบใจนั่นแนหะมาเป็นอารมณ์อยู่ในใจว่ารูปนั่นนะสวยงามดีน่ารักน่าเชยชม เสียงนั้นนาไพเราะดีนะน่าฟังริง ๆ, ๆน่ายินดีริง ๆ, ๆอย่างนี้นะมันวิตกขึ้นมาอย่างนี้มันก็เกิดความยินดีพอใจในอารมณ์เหล่านั้นขึ้นมาจิตก็สงบไม่ได้เมื่อมันยินดีพอใจนะมันก็มีความสุขอยู่บ้างความสุขอันนี้แหละเป็นเครื่องล่อจิตของบุคคลให้ติดอยู่ในทุกข์คอ้เข้าใจ ก็ไม่ยินดีในรูปที่ว่านะั่นนะมันก็ไปแสวงหาท่านสินั่นเอเมื่อได้มาแล้วมันก็มารักษากันแสนทุกข์แสนยากรูปคนรูปสัตว์รู ป, ร ป, รรปเงินรูปทองรูปผ้าผ่อนทอนสบายอะไรต่ออะไรโมนีนะ่ลองสังเกตดูสิพี่ดูนะมีโจรขโมอยอยากได้เหลือล้อนนะ เมื่อคนจากโจนขโมยอะไรนั้นเขารู้ว่าใครมีทรัพย์สมบัติมากงมั่แล้วมันก็พยายามเลยว่นนี้นะไอเจ้าของทรัพย์ก็นอนไม่ค่อยหลับไปไหนก็สะดุ้งกลัวแต่เขาจะมาจี้มาพ่นเอาเช่นอย่างว่ามีทองรูปพระพันประดับประดาอยู่ในร่างกายอันนี้หลายหลายการอยู่ในหูก็มี อ, อยู่ในคอก็มีนั่นแหละแล้วก็อยู่ในนิ้วมือก็มีเห ม, มือนยอยู่ในข้อแขนก็มีประดับประดาไว้อย่างนี้แล้วโจรขโมยที่มันทุกข์มันยากมันจนมันเห็นเข้ามันก็อยากได้ ม, มันก็ พยายามหาอุทางยื้อแย่งเอาสมบัติเหล่านั้นไปถ้ากัดผืนมันก็ฆ่าให้ตายแล้วมันก็ลอกคราบเอาอย่างนี้มีอยู่ไว้บ่อยในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื่อพากันเข้าใจเราเอาศีลเอาธรรมนมาประดับยังสวยงามลึกซึ้งกว่าเครื่องประดับภายรอกนั้นอีก แล้วก็ไม่มีเวรไม่มีภัยอันเกิดจากที่เป็นผู้มีศีลมีธรรมนั้นไม่มีเวรไม่มีภัยเลยมีอิสระไปไหนไปไหนก็มีคนเขารบนรับถือคนก็ไม่รังเกียจคนมีศีลมีธรรมมีกายวาจาใจสงบระงับจากบาปประทำกรรมอันชั่วต่าง มีแต่กรรมดีสร้างกรรมดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาใจเสมอไปอย่างนี้นะคุณความดีเหล่านี้แหละไะกระตุ้นเตือนใจบุคคลผู้ได้พบได้เห็นให้เกิดความเคารพคาระวะความนับถือความพอใจอยากจะสังคมด้วยนี่เราสังเกตดูให้ดี แต่ว่าคุณธรรมต่างๆเหล่านี้นะเราทำเราสร้างขึ้นมาเพียงนิดหน่อยอย่างนี้แล้วจะให้มันได้รับผลมากๆํม า, กามประสงค์อันนี้มันเป็นไปไม่ได้ขอให้เข้าใจแต่ต้นไม้ที่ยืนต้นบางชนิดอย่างเช่นต้นตาลอย่างนี้โถอาใช้เวลา น, านานกว่ามันจะ เป็นลูกขึ้นมาให้คนได้รับประทานต้งนานเป็นสิบสิบปีขึ้นไปนู่นเนะอย่างนี้แหละอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นนยไอ้คุณงามความดีที่เรากระทำบาเพ็ญ น, นี้เมื่อมันยังไม่มากพอมันก็ต้องอาศัยเวลาสั่งสมบุญกุศลความดีไป ให้มากขึ้นไปโดยลำดับในขณะเดียวกันเราก็ไม่สะท่งความชั่วเข้ามาปนเปไว้ไอท้ทีกับชั่วนะ่ะมันเป็นคู่กันมานะลองสังเกตดูเช่น อ, อย่างว่าเขาด่ามาตำหนิติเตียนมางี้นะก็เมื่อกิตใจไม่ตั้งมั่นแล้ว ไม่รู้แจ้งในคําชั่วต่างๆเหล่านี้แนละ้วก็ไปหลงพอใจกับเรื่องชั่วเหล่านั้นก็ยึดเอาความชั่วนั้นมาเป็นอารมณ์ก่อให้ความโกรธมันเกิดขึ้นมาวิตกวิจารณ์ว่าคนผู้นี้มันด่าเรามันดูถูกเราอย่างงี้นะข่มเหงเราเราก็จะต้องตอบโต้มันเราก็คนเหมือนกันอย่างงี้นะอืม นี่แหละเมื่อมันวิตกวิจารณ์ขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็ตอบโต้ไปทีแรกมันก็ตอบโต้กันทางวาจาก่อนแหละพูดกันไปพูดกันมาต่างคนก็ยุกโทษของกันและกันเข้าบัน่กะเมื่อความโกรธมันขึ้นสุดขีดแล้วก็ลงไม้ลงมือ ถ้าไม่มีอาวุธอยู่ในมือก็ชกกันตีกันถ้ามีอาวุธอยู่ในมืออันใดเป็นมีดบอกเป็นปืนบอกอนะไรก็ชักออกมาชากกันเข้าไปนั่นถ้าหากว่ามีเมตตากรุณาอยู่ในใจแล้วเรื่องชั่วเช่นนั้นมากระทบกระทั่งเขาบางคนนึกได้เออถ้าเราตอบโต้ไปนี่มันก็จะเป็นทุกข์ทั้ง ตัวเราเป็นทุกข์ทั้งเขาเพราะฉะนั้นเราจะไปสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองได้แก่ผู้อื่นไล้เรายอมเสียสละความได้เปรียบเสียเปรียบอนันเสียยอมให้เขาด่าเขาว่าฝ่ายเดียวเสียนึกได้อย่างนี้แล้วเราก็ส ง, งบจิตอยู่ได้เมื่อจิตมันมองเห็นเหตุผลอย่างว่านั้นแล้ว ว่าขืนตอบโต้ไปมันจะเป็นทุกข์ทั้งเขาทั้งเราหนะ่านี่หนะ่าหวังกันนะดังนั้นอย่าไปทําทุกข์ให้แก่ตนและผู้อื่นเลยสอนตนเข้าไปอย่างนี้แนละ้วมันก็สงบใจมันก็ไม่ได้สร้างกิเลส ข, ขึ้นในใจมันก็มีคุณธรรมมีเมตตากรุณาเป็นเครื่องอยู่ในใจในเป็นอย่างนี้แหละใครพี่ณาดูให้ดี อันกิเลสกับคุณธรรมนี่นะมันอยู่ด้วยกันนี่มันอยู่ใกล้กันนะแต่บุคคลไม่รู้จักใช้แม่เรียนเรียนแล้วจำได้มาแล้วก็ช่างทีนี้เมื่อเวลาทำความเพียรทางจิตใจไปหากว่ากิเลสอย่างนั้นมา เกิดขึ้นในจิตใจกระทบกระทั่งจิตจิตก็ไม่ได้นึกถึงคุณธรรมเหล่านั้นเลยก็มีตะวันไหวไปตามมันอย่างนี้นะอันนี้เราจึงได้ชื่อว่าบุคคลเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจไม่ได้สร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นในใจดังนั้นเมื่อได้รับคำแนะนำอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากัน กำหนดจดจำพิจารณาเอาไว้เออเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องเจริญเมตตาให้มากมากแม้ใครจะไม่มาด่ามาว่ามาคมคูอะไรก็ตามเราจะต้องเจริญเมตตาปรารถนาให้สทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่เลยไปอย่างนี้นะงั้นเนี่ย แล้วเจริญเมตตากรุณานี่ให้มั่งมากเข้าไปเลื่อยไปยนี่เมื่อกําลังของเมตตากรุณาในมันมีมากอยู่ในใจแล้วอย่างนี้แม้จะมีเรื่องดังกล่าวมาแล้วนั้นกระทบกระทั่งเข้ามาจิตนี้มันก็ไม่หวันไหวไปตามเลยทีนี้นั่นนี่เพราะการเจริญเมตตากรุณาในมันก็เป็นสมถะอันหนึ่งนะมันทําใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงได้ มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะดังนั้นอย่าพากันประมาทพวกคนเรานะี่ย่อมมีความโกรธอยู่ในใจทุกคนเลยต่างแต่มากและน้อยขู่กันเท่านั้นเองไอ้ผู้มีมาผู้มีน้อยนั่นแนหะแต่ถ้าไม่รู้จักคมใจละคมใจถอนแล้วมันก็มากขึ้นในตัวแหละ เวลามีเหตุกระทบเข้ามาแล้วมันไม่ค่มใจละไม่เตือนตนดังกล่าวมาแล้วนั่นนะความโกรธนั้นมันก็มากขึ้นโดยลาดับน่ะทีนี้ผู้มีมากอยู่แล้วมันก็ยิ่งมากขึ้นไปจนถึงลงไม่ลงมือประหรั ร, ะหรผู้อื่นได้อ่านี่นะให้คิดดูให้ดีอันนี้นหะเมื่อบุคคลยังไม่ได้เจริญวิพัสนาจริงจัง ล้วก็เจริญสมถานี่ให้แก่กล้าไปก่อนอมเมื่อใจยังอ่อนแอเท่าแท้อยู่เนี่ยจเจริญปัญญามันไม่ได้พิจารณาอะไรก็ไม่คล่องแคล่วหรอกไม่เห็นแจ้งให้เข้าใจหลักปฏิบัติอย่างนี้เมื่อผู้เริเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็เอาเลยเนะพ่งจิตทำอย่างไรจิตจะสงบลง ทำอย่างไรจิตจะหนักแน่นต่ออารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาแล้วก็ทาลงไปสิดังแนะ น, นำมาแล้วนั่นแหละก็เอาสติสมัมปชัญญะนี่โน้มเข้าไปประคองความรู้สึกอันนี้ไว้เสมอๆนี่นะการที่จิตนี่มันจะหนักแน่นมันจะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะอาศัย ส, สติสมัมปชัญญะ นี่แหละเข้ากับ ป, ประครับประคองนะสติแปลว่าความระลึกได้คือระลึกถึงความรู้สึกอันนี้นะนนนสมบัติชญยะก็รู้ตัวว่าจิตนี่ตั้งมั่นอยู่หรือไม่ตั้งมั่นก็รู้ตัวงี้นะเป็นหน้าที่ของสมปัติชญยะจะพึงรู้ตัวว่าเวลานี้จิต ตั้งมั่นละอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็รู้งี้นะเวลานี่จิตยังไม่ตั้งมั่นดีมันยังเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็รู้พอรู้แล้วอย่างนี้ก็เข้มงวดเข้าไปก็ส ก, กัดจิตเข้าไปอย่าให้มันคิดมันก็ไปอย่างงั้นแหละเมื่อเรารู้ต้นสายปลายเหตุมันแล้วนะ เมื่อรู้จักสะกดจิตคอมจีของตนไเแล้วอย่างนี้มันก็คิดไปไม่ได้มันก็หยุดลงอืทำํำบ่อยๆเข้าจิตมันหนักแน่นเข้าไปมันก็ไม่มันก็ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งแล้ววันนี้นะมันเป็นงั้นแต่ยังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําให้มากจเจริญให้มากก็ยัวงว่าไอ้ข้อปฏิบัติกา่าของเก่านั่นแหละ แต่ครังพรพุทธเจ้านั้นพระองค์สั่งสอนคนอย่างไรมาในปัจจุบันนี้นพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็นำมาสั่งสอนคนฉันนั้นเลยแนวทางเดียวเลยเช่นอย่างการรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะมันก็มีมาแต่ครั้งพพุทธเจ้านะพระองค์ก็สอนให้คนละบาปละการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้นะอนนี้ ผู้ใดปฏิบัติตามทำตามผู้นั้นก็ไม่มีกรรมมีเวรติดตัวทราบาบกรรมที่มีมาอยู่แล้วนั้นไม่พระภาวนาที่ใดก็อธิษฐานใจละเว้นไปเรื่อยๆไปเมื่อใจไม่ส่งเสริมมนแล้วมันก็ค่อยดับไปดับไปบาปกรรมคมชั่วต่างๆหเหล่านั้นน ะ, อะขอให้เข้าใจถ้าว่าไม่อธิษฐานใจละอย่างนี้มันจะไม่ ออกไปจากกิจใจนี่เลยบาปกรรมเรามันจะติดสอยห้อยตามอยู่นั่นเลยเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นให้พากันเข้าใจดังนั้นพระ อ, องค์เจ้าจึงสอนแสดงความเพียรไว้มีอยู่องค์สี่หนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน สองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่สั่งสมมันต่อไปสามเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานก็เพียรกระทาในใจสงบระงับนี่แหละเรียกว่ากุศลนะอสี่เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมก็เมื่อตอนทําจิตให้สงบลงไปได้แล้วก็พยายามรักษา จหตนี่มันส ง, งบอยู่อย่างนั้นอืไม่ให้สมาธิมันถอนมันเสือ่อมอืก็ชื่อว่ารักษากุศลธรรมไว้ในจิตนี้ไม่ให้เสื่อมให้เข้าใจถ้าปล่อยจิตเลื่อนลอยไปกุศลธรรมมันก็เสื่อมมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจอบางคนก็ว่าโอ๊ยมันยุ่งยาก ทำไม่ได้นั่นเรียก ว, ว่าเข้าใจผิดไปกระงทบทวนดวูการงานธรรมาหาเลี้ยงชีพนะมันยิ่งยากกว่านี่หลายเท่านะหลังสู้ผ้าหน้าสู้ดินอาบเหงื่อต่างน้ำเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพริโพอไรก็ยหยุดไม่ได้ต้องอดต้องทนทำงานไปอยู่นั่นแหละ แล้วยังทําได้เราคิดดูสิแล้วพอเวลามาภาวนาละกิเลสเนี่ยมันจะพ้นทุกไปนี่นะมันทําไม่ได้นี่จะว่าไงล่ะวันนี้ออืก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักตอนนะเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะพ้นจากทุกอื่ามีงานลือ ม, มนะัน่ะผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารในระปรารถนาจะพนนะ้น่ มันก็ต้องมาฝึกจิตนี่หนิเ่อฝึกอะไรอ่เพราะว่าจิตตรงนี้เป็นผู้ไปสวยทุกในโลกหน้าหรือโลกนี่ก็ดีจิตตรงนี้เป็นผู้สวยสุขในโลกใดๆก็ดีร่างกายไม่ได้ไปด้วยเลยหมดบุญเก่ากรรมเก่าแล้วมันก็แตกดับทำลายลงสู่พื้นดิน ไปเขาก็เป็นเหลือแต่เท่ากับกระดูกอันนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วเนี่ยอ่าที่นำมาพูดบ่อยๆก็เพราะเห็นว่าคนส่วนมากนะมันไม่ค่อยคิดไม่ค่อยวิจารณ์ฟังแล้วก็เล้วไปเพราะฉะนั้นจึงนำมาเตือนบ่อยๆเข้าไปเลยลเพื่อให้มีสติตื่นตัว ให้เจริญพระกรรมาฐานเหล่านี้ให้มากมากไปแล้วกิเลสอันเป็นข่าศึกกับจิตใจนี่มานมนานหลายชาติหลายภพเราเราเรานั้นนะ่ยมันก็จะค่อยเบาบางลงไปเพราะว่าจิตไม่ชอบมันแล้วนี่อจึงได้นึกสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจเป็นเครื่องอยู่เราไม่เอากิเลสเป็นเครื่องอยู่หมายความว่างั้นแหละ เช่นเราไม่เอาความรักเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาความชังเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาความหลงความมอนันเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้นะเมื่อไม่เอาความรักเป็นเครื่องอยู่เราก็เข่งอสุภะกรรมฐานให้เห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งร่างกายนี้่าเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วมันเบื่อหน่ายร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้ว มันก็เบื่อหน่ายในรูปภายนอกเหมือนกันเละเพราะว่ารูปภายนอกมันก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันมีบุญกรรมตกแต่งให้บุญกรรมที่ตกแต่งนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันหมดเขตหมดแดนเข้ามาแล้วมันก็ดับไปเมื่อกรรมเก่า ด, ดับลงไปร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทําลายลงนี่ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะหวังพึ่งร่างกายนี้ไปเรื่อยๆไปจะไปได้ที่ไหนล่ะเราก็ต้องสร้างคุณธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในใจไว้สร้างทำที่เป็นกุศลนั่นนะเช่นเมตตากรุณาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็เป็นกุศลนี้ถ้าเราสร้างให้เกิดมีขึ้นในใจนะ หรือการเพ่งร่างกายเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามหมู่นี้ก็รล้วนจะเป็นกุศลทั้งนั้นเละอุบายอะไรที่ทำใจให้สงบลงไปได้อุบายนั้ น, นท่านเรียกว่ากุศลนะอ่แปลว่าความชานฉลาดสามารถทำใจสงบลงได้ด้วยอุบายอันนั้นนี่นะอย่างนี้แหละเฮ้ ความเป็นผู้มากน้อยสันโดษอย่างนี้นะมากน้อยนั่นหมายความว่ามักทำให้กิเลสมันน้อยเบาบางออกจากกิจใจไปนี่ความมักน้อยในที่นี้นะก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งเป็นปุสสนเป็นผู้มีสันสุทธิธรรมคือยินดีตามีทมได้ ไม่ถ้เยื่อสยานเกินฐานะเกินบุญวาสนาของตนไปอันนี้มันก็เป็นกุศลธรรมมนหนึ่งที่เราควรมีอยู่ในใจถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจความโลภความอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้มันก็มากมายขึ้นในจิตใจนี่นะมันก็เกิดขึ้นมากมายทีเดียวในใจนี่นะ เป็นงนั้นจนเป็นเหตุได้คนเราทํำบาปทากรรมนั่นแหละพูดแล้วนะเป็นอย่งนั้นดังนั้นนะอยาพากันลืมคุณธรรมเหล่านี้เมื่อเราภาวนาทําใจสงบลงไปแล้วเราก็นึกถึงคุณธรรมดังกล่าวมานี่ให้เกิดมีขึ้นในใจไว้อืมหากว่าคุณธรรมเหล่านี้นะ จิตที่ไม่สร้างขึ้นมันก็มันก็ไม่มีอะมันก็ไม่เกิดขึ้นในจิตก็ขอให้เข้าใจอย่างความเพียรอย่างนี้นะถ้าหากว่าจิตไม่นึกถึงความเพียรไม่พอใจในความเพียรในการที่จะละ่าปามเพ็ญบุญดังกล่าวมาแล้วนะั้นไอ้ความที่จิตคิดตั้งแตว่าเราจะทำความเพียรอย่างนี้ก็ไม่มีไม่เกิดเลย เพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจจิตจะสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้ก็เพราะมีคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่อืมถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่สั่งสอนนะพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงแสดงคุณธรรมเหล่านี้ไว้เลยให้พี่ณาดูให้ดีใน ท, ที่พระองค์แสดงคุณธรรมอันนี้ไว ก็เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้สร้างคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจแทนบาปอากุสลความชั่วเหล่านั้นนี่เราสร้างความมักน้อยสันโดษขึ้นในใจก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะ เมื่อความโลภไม่เกิดขึ้นในใจแล้วจิตใจนี่มันก็สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่เลื่อนลอยอย่างนี้แหละถ้ามันมีความโลภอยู่ในใจมันก็วิตกเออสมบัติเราได้มีน้อยไปทำยังไงหนูเราจะมีมากมากากฎสร้างวิมานบนอากาศขึ้นมาเราจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คิด ขึ้นมาแล้วแต่ว่าทําไม่ได้บ้านี้นะเพราะว่าวาตประนาคุณมันน้อยอืมเมื่อทําไม่ได้เป็นไปนไม่ได้ตามความคิดแล้วก็เดือดร้อนแล้วเป็นทุกข์เป็นเหตุให้คนเราอ่หมุนทัวไปทําบาปเลยบ้านี้นะอ่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นตัดอื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการมานี่ให้พากันเข้าใจ โอกาสอุบายการฝึกผนอารมณ์จิตนี่นะมันก็มีหลายอย่างอย่างนี้แหละอืมอันแต่ที่ว่าที่แนะนําให้เพ่งจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เป็นหนึ่งเดียวนั้นนะ่ะอันนั้นมันเป็นเบื้องต้นนะให้เข้าใจถ้าไม่สํารวมใจให้ตั้งมั่นลงก่อนแล้วเนะี่ยพิจารณาอะไรก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้น คุณธรรมอันดีงามก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจได้ถ้าใจไม่ตั้งลงแล้วนะอะ่นี่ขอย้ำอีกทีเพื่อกันสรับสนนะ่ะ น, นั้นแหละเมื่อเมื่อเมื่อเราควบคุมจิตปร ก, กจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีสติสมดติใชยักประคองอยู่แล้วนะแม้เรานึกถึงคุณธรรมอันใดคุณธรรมันนั้นก็บังเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะ อืมเมื่อคุณธรรมนั้นบังเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสอันเป็นคู่ปรับกับคุณธรรมดังกล่าวมา น, นี้มันก็ลังคับไปเช่นเมื่ออสุภะบังเกิดขึ้นในใจแล้วอย่างนี้นะความกำหนงยินดีต่างๆในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ดับไปอืมมันก็ไม่บังเกิดขึ้นเล ย, ยนี่แหละ เมื่อเมตตาทำกรุณาทำบังเกิดขึ้นในใจตั้งมั่นอยู่ในใจเสมอเสมอไปได้อย่างในความโกรธความมยาบา ท, ทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นในใจนี่นะคอให้เข้าใจอะ่ะนั่นแหละจักรจึงพูดให้ฟังอยู่นั่นเลยว่าการเจริญเมตตากรุณานี่มันก็เป็นธรรมะอันหนึ่งมันทําใจให้สงบระ ง, งับจากอากุศลคือจากความโกรธนั่นแหละพูดง่ายๆอืมเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละอย่าพากันอยู่เฉยเมื่อทำใจสงบแล้วก็จะไปอยู่แต่ในความสงบเท่านั้นเลยอย่างนี้นะคุณธรรมเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นในใจอะ่ะใจก็ไม่หนักแน่นแล้ววันนี้นะมันเป็นงานเรื่องมานะ่ะเช่นขันติความอดทนโมนี่นะเราต้องนึกถึงเสมออ่า นึกพินายเห็นอานิสง์แห่งขันติความอดทนพระพุทธเจ้ า, จาตรัสได้ว่าผู้มีความอดกั้นทนทานต่อคำด่าวา่าเสียสีจากคนอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอเออ น, นี่เมื่อเช่นนี้นะเมื่อเราประสงค์ที่จะให้คนอื่นเขารักให้เอ็นดูนับถือ ไม่ให้เขาเกลียดชังรังเกยียจรังแกอย่างนี้อเราก็ต้องปฏิบัติตามขันติธรรมนี่สิก็เตือนตอนเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ต้องเป็นผู้สร้างความอดความทนขึ้นในใจอย่าหวั่นไหวต่อความชั่วร้ายต่างๆ ท, ท, ที่คนอื่นหยิบยื่นออกมาให้เมื่อเขาด่าเขาว่าเขาทำหนีตีเตรียมาเราไม่หวั่นไหวแล้วต่อไปมันก็มา เขารพกนับถือเรานั่นเองเนี่ย ม, มาแสดงความอยากเป็นมิตรอยากเป็นเพื่อนอะไรไปอย่างนั้นเลยให้เข้าใจไอ้คนบางคนนะ่ะอยากแต่ให้เขาเคารพยำเกรงอยากให้เขานับถือยกย่องแต่ละวนไม่มีความอดทนเลย เมื่อได้มีเรื่องกระทบกระทั่งมามันก็วันไหวไปเลยแสดงความชั่วออกมาทางกายทางวาจาอะไรยยอย่างนี้นะใครเขาจะไปเคารพยำเกรงจะไปนับถือถเราคิดดูให้ดีเพราะในโลกอันนี้นะจะไม่ใช้อํานาจป่าเถื่อนอย่างนั้นข่มขี่ให้คนอื่นยำเกรงเคารพนับถืออย่างสนิทใจอย่างนี้ไม่ได้ดอกไม่ได้ อย่าไปทําเลยเราต้องเอาความดีสร้างคุณธรรมความดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาใจของตนให้มากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วคน้นแห่งความดีเหล่านี้มันถักไปกระตุน้นจิตใจผู้อื่นให้สนใจอยากพบอยากเห็นอยากเขารบนับถืออยากสนานาปาศัม มันนักเป็นไปเพื่อ ม, มีมีมีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วนะอย่างนี้แหละจางนั้นทุกขอนขอให้บำเพ็ญตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนมานี่ไม่มีผิดนะผู้ใดปฏิบัติตามแล้วย่อมเห็นผลในปัจจุบันนี้แหละ ไม่ใช่ว่าจะไปได้รับผลแต่ข้างหน้าอย่างเดียวหาไม่ได้นะย่อมปรากฏผลในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าก็ขอให้เข้าใจให้รบพรอบไว้ว่ากระทั่บบุคคลใดหากมีกรรมมีเวณมาถึงชาติก่อนแล้วนะเมื่อกรรมเวณนั้นมาถึงเขาแล้วอย่างนี้ย่อม ตอนทำอะไรพูดอะไรไปก็มักจะมีคนเกลียดชังไม่พออกไม่พอใจก็มีอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องทบทวนเนี่ยโอ้เราก็ไม่ได้ทำชั่วพูดชั่วเราก็ไม่ได้พูดไม่ได้แสดงกิริยาหยาบคายอะไรพูดหยาบคายกระทบกระทั่งอะไรต่อคนผู้นี้ต่อคนหมูน่นี้แต่ละคนเหล่านี้ก็ หไม่พอใจในเราแล้วแสดงความเกลียดชังอย่างน้นอย่างนี้นี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนน้นเราคงไปพูดให้เขาเจ็บอกเจ็บใจแล้วไปแสดงกิริยาหยาบคายกระทบกระทั่งเขาไมใ่ให้เขาไม่พออกพอใจในเรากรรมนั้นมันเลยสิดสอยห้อยตามมามาสนองเอ า, อางี้นะก็เมื่อตนพี่นาเห็นอย่างนี้แล้ว มันก็ไม่หวั่นไหวแล้วไม่ไม่ตอบโต้แล้วยอม่เขาด่าว่าตีเทียนไปคมคู่ไปตามเรื่องเราอดเราทนไม่หวั่นไหวไปแล้วอย่างนี้กรรมเวนั้นมันหักหมดไปเองมันนะอ่ะอะมันหมดไปเองมันละบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าไปตอบโต้เขาแล้วเอาแล้วสร้างเวนใหม่ขึ้นมาอีกแล้วกรรมเก่ายังไม่หมดจะไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาสมทบ ก, กันไปอีก มันก็อำนวยผลใด้เป็นทุกต่อเนื่องกันไปชาตินี้ชาติหน่าไปอย่างนั้นเลยดังนั้นนะ่ะขอให้พากันเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่แสดงให้ฟังมานี่นะแล้วประพฤติปฏิบัติตามก็คงจะได้ประสบความสุขความเจริญตามกำลังความสา ม, มารถของตนของตนดังแสดงมา